เ็นวันนี้เราได้สาธยายคำสอนหรือพระสูตรที่สำคัญมากอนัตตะลขนสูตรพระสูตรนี้นะเมื่อพระปัญจวคีได้พิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนนั้นๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเรื่องที่ชื่อว่ธาธรรมจักรปวัตนสูตร ซึ่งเราก็ได้สาธยายไปเมื่อวาหรือ2วันก่อนอันนั้นเรียกปฐมเทศนาอันนั้นการกะคะนัสูนี่ก็เป็นสิ่งที่มาขยายความจากสิ่งที่พระเจ้าได้แสดงไว้ในธรรมจักรปตนะสูนจะขยายความอย่างไรนะอันนี้ก็รับทราบไว้บ้างก็ดีนะเพราะมันจะช่วยในเรื่องการ เข้าใจทำแล้ว ก, ก็การปฏิบัติของเราด้วยธรรมจักรปตันสูตรนี่พระเจ้าก็ได้พูดเป็นครั้งแรกถึงเรื่องทางสุดตรงสองทางการพัวพันหมกมุ่นในกาลและการทรมานตนแล้วก็พูดถึงเรื่องทางสายกลางทางสายกลางนี่ก็คืออริยมรรคมีองค์แซึ่งที่จริงก็เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4ี่นะ อริยเศตริัจสีเราก็ทราบดีแล้วนะว่ามี4ประการก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเนี่ยก็หมายถึงทุกที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เรานะทุกกายทุกใจนะซึ่งถ้าพูดให้ชัดไปหน่อยก็คือเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาซึ่งต่างจากทุกที่เราสวดเมื่อสักครู่นี้นะเมื่อสักครู่นี้สวดอนัตตลัคนาสวดมีคําว่าทุกมากเนี่ย ส่วนใหญ่หมายถึงทุกตามสภาวะหรือว่าทุกที่มันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งไม่ใช่เฉพาะคนสัตว์เท่านั้นแต่รวมถึงสิ่งของด้วยสิ่งของนี่ก็เป็นทุกนะแต่เป็นทุกที่ไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกสุขไม่ใช่มีความรู้สึกทุกแต่ว่าหมายถึงว่าการที่มันเสื่อมการที่มันสลายการที่มันตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เสาไม้กระดานมันก็เสื่อมไป ไม่ช้าก็เร็วอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นทุกข์แต่ว่าทุกข์อันนี้เนี่ยเขาเรียกอย่างว่าเป็นตัวทุกข์นะว่าโดยย่อขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์อันนี้เราสวดทุกเช้าตัวทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่าการที่มันมีความพันผวนแปลปรวนไม่เที่ยงนะซึ่งเป็นสภาพที่เกิดขึ้นกับทุกอย่างแต่ว่าทุกข์ในเริขาศรีเนี่ยนะมันหมายถึงทุกขเวทนาคือทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราทุกคน นะไม่เกี่ยวกับสัตว์ไม่เกี่ยวกับสิ่งของนะเกี่ยวกับคนเป็นหลักเกี่ยวกับเรานี่แหละแล้วก็สมุดไทยก็คือเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คืออะไรเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาคือความอยากอยากอะไรนะก็อยากในขันทนะ่าอยากในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคราวนี้อยากในขันท่าเนี่ยหรือตัณหาในขันท่าเนี่ยมันมันเป็นปัญหายัางไง มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เมื่อเราอยากแล้วเราก็ยึดเอาไว้อยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นสุขแต่ว่ามันไม่ยอมเที่ยงอย่างที่ใจเรานึกมันไม่ยอมเป็นสุขอย่างที่เราปรารถนาอย่างที่เราสวดในอนัตตลกนาสูตรก็นี้ก็บอกแล้วว่านะมันเราไม่สามารถจะได้รูปตามใจหวังได้นะสัตว์ไม่อาจ ได้รูปตามใจหวังไม่อาจได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามใจหวังได้เพระอะไรพอมันเป็นอนัตตาถ้ามันเป็นอัตตาตัวตนเราก็สามารถที่จะสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้คราวนี้ในเมื่อสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันเป็นอนัตตามันเปลี่ยนนิจจังทุกขงังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัณหายึดในสิ่งนั้นอยากในสิ่งนั้นเราก็ย่อมเสียใจยเลยต้องผิดหวังเช่นเราอยากจะให้รูปนี้เที่ยงอยากจะให้ รูปนี้นะไม่แก่ไม่ป่วยอยากจะให้บ้านอยากจะให้ทรัพย์สมบัติเพชรนินกินดามันอยู่คงที่มันไม่เสื่อมสลายไปถ้าหากเรามีความอยากความยึดแบบนั้นเราก็จะทุกข์เพราะว่าไม่นานมันก็จะเสื่อมไปนะมันก็จะสลายไปอันนี้อนต 0, ัตตลกนัสสุลมาขยายความว่าทําไมตัณหาจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์นะ ดัง น, นด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อพระปัญจวัคคีย์ท่านพิจารณาเนี่ยท่านก็เกิดความกระจ่างขึ้นมาจกนกระทั่งบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยอานันตลักษณะสูตรกับธรมมจักรปัญจสูตรเนี่เกี่ยวข้องกันมากเนี่ยอนันตลักษณะสูตรเป็นตัวขยายนะให้เห็นว่าให้ตะหนักชัดว่าทําไมตัณหามันจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์นะ พอไปยึดไปอย่างในสิ่งที่มันเป็นทุกข์นะคือสิ่งต่างๆเนี่ยรู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วนะมันเป็นทุกข์หมายถึงมันเป็นตัวทุกข์นะมันเสื่อมมันแปรปรวนนะทุกข์ในที่นี้หมายถึงว่าเสื่อมและแปรปรวนไม่เกี่ยวกับทุกข์ที่เป็นอริสัตข้อแรกนะทุกข์เป็นที่เปอริสัต์ข้อแรกถนะือว่านะ ความโศกความร่ำไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกระแทกใจทุกขเวทนานั่นเองเอันเราทุกขเวทนามันเกิดขึ้นได้นะโดยเฉพาะทุกขเวทนาทางใจเมื่อเราไปมีตัณหาคือไปอยากไปยึดในสิ่งที่มันยึดไม่ได้นะในสิ่งที่มันเที่ยงอันในสิ่งที่มันไม่เที่ยงในสิ่งที่มัน เ, เสื่อมสลายดับไปไม่ช้า ก, ก็เร็ว ถ้าเราไม่ยึดมันปล่อยดูมันไปเฉยๆเนี่ยมันจะเสื่อมมันจะสายไปเราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมแต่เป็นเพราะเราไปยึดเอาไว้ปูนง่ายเนี่ยก็เหมือนกับถ้าเปลี่ยนมาเป็นสิ่งต่างๆลวดใบธนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเปลี่ยนเหมือนกับไฟนะหรือเปลี่ยนเหมือนของหนักถ้ามันเป็นฐานก้อนแดงๆมันอยู่ข้างหน้าเราเราก็ไม่เดือดร้อนก้อนหินก้อนหนักๆมันอยู่ข้างหน้าเราเราทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์หรอก แต่มันเกิดเรื่องทันทีเมื่อเราไปแบกเอาหินก้อนนั้นมาไว้หรือว่าเราไปถือเอาฐานก้อนแดงๆมาไว้เราจะสั่งว่าฐานอย่าร้อนได้ไหมขอให้เป็นน้ําแข็งได้ไหมเราจะสั่งว่าก้อนหินขอให้เป็นปุ๋ยนุ่นได้ไหมเราสั่งไม่ได้มันก็ยังเป็นฐานมันก็ยังเป็นหินอยู่นั่นแหละแล้วไงแล้วเราจะทํำยังไง เราก็อย่าไปแบกมันเราก็อย่าไปถือมันแค่นั้นเองแต่ทำไมถึงอยากไปถืออยากไปแบกเพราะมีตันหาแล้วก็มีอวิชชาอวิชชานั่นคือความหลงว่าไอ้ฐานก้อนแดงๆเนี่ยคือปุยนุ่นหรือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเพชรเป็นทองนะเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราหรือไปเห็นว่าไอ้ก้อนหินนั้นเนี่ยนะมันคือดอกบัวหรือว่าเป็นเงินทอง อันนี้เรยายวิชาคือความหลงที่เขาเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวเนี่ยคืออันนี้แหละพอเราเห็นพอเราไม่มีปัญญาเห็นความจริงว่าไอ้นี่มันฐานนะก้อน แ, นงแดงๆนะไอ้นี่มันหินนะเราไปเชื่อเป็นของดีของวิเศษเราเชื่อมันเป็นของที่จะให้ความสุขกับเราได้แล้วก็ไปเกิดความอยากขึ้นมาเมื่ออยากแล้วก็ยึดแล้วก็ดิลลนเพื่อจะให้ได้มันมาพอเราถือเอาพอเราถือมันเข้าแบกมันเข้าเกิดอะไรขึ้นมันก็ลวกมือ มันก็กลายเป็นของหนักไปนะอ น, นอนัตตลักนาสูตรเนี่ยก็คือคำสอนที่อธิบายให้เห็นว่าไอสิ่งที่เรานะที่เราไปยึดที่เราไปเข้าใจว่ามันเป็นอของที่พึ่งพาอาศัยได้เนี่ยที่จริงมันไม่ใช่นะรูปเปรนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้นี่มันมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันแปรปรวนแล้วก็มัน ไม่อาจจะเราไม่อาจจะสั่งมันได้ตามใจหวังนะถ้าเราได้รูปเวทนาสัญญาสัญขารวิญญาณตามใจหวังชีวิตนี้มันก็เลิศเลอเพอร์เฟกแล้วนะแต่ปัญหาคือเราไม่อาจได้ตามใจหวังมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะแต่บางคนโชคดีหน่อยก็อาจจะได้รูปนะที่ดีนะนะเช่นสุขภาพที่แข็งแรงนะ หน้าตา ส, าสวยหลอเลานะแต่สุดท้ายมันก็ต้องเสื่อมไปต้องแปรปวนไปเพราะรูปเป็นตัวทุกนะรูปเป็นตัวทุกถ้าเราไม่ยึดนะไม่ยึดในรูปนะเราก็ไม่ทุกนะอันนี้สำคัญมากรูปนั้นเป็นตัวทุกแต่ถ้าเราไม่ไปยึดมันไปยึดไปอยากให้มันเที่ยงให้มันเป็นสุขเราก็ไม่ทุกข์ทุกในที่นี้คือไม่ทุกใจแต่ว่าทุกกายยังมีอยู่นะ ก็คือว่าเวลาแก่เวลาเจ็บมันก็ทุกข์กายแต่ว่าใจไม่ทุกขนะ์เนี่ยเราเข้าใจเรื่องเราท่องคาเข้าใจเรื่องขันท่าเอาไว้บ้างก็ดีนะเพราะว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเราในโลกนี้เนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่เลยเกินไปจากขันท่านะจริงจริมันมีอีกอันหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราปัญญาเราคงไม่เห็นนะคือนิพพานนะแต่ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะเรียกว่าทั้งหมดที่เรารู้จักเวลานี้ตามประษาปุทุชนเนี่ยมันหนีไม่พ้นแล้วมันก็ไม่เกินไปจากขันท่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นะรูปนี้ก็มีทั้งรูปภายในก็คือว่าร่างกายของเราตับไตไส้พุงลมหายใจพลังงานความอุณหภูมิภายนอกก็คือทรัพย์สมบัติอาหารบ้านเรือนธรรมชาติอากาศ อันนี้รูปนะแต่ที่เหลือนี่มันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคือนะความรู้สึกสุขทุกข์อ่อนล้าหิวเมื่อยอิ่มนะพออิ่มแล้วก็เป็นสุขนะไอ้เวทนานี่เราก็ไม่อาจจะได้ตามใจหวังนะเช่นตอนนี้เราเมื่อยเนี่ยนะเราอยากเราสั่งให้มันไม่เมื่อยนี่สั่งก็ไม่ได้นะ เราสั่งให้มันไม่เมื่อยไม่ได้บางคนก็ปวดแข้งปวดขาเพราะว่าชราก็สั่งไม่ได้อันนี้เรียกว่าไม่ได้เวทนาตามใจหวังแต่ถ้าาไม่ยึดว่าเวทนาจะต้องเป็นสุขเสมอไปนะเออมันปวดมันเมื่อยก็ช่างมันเราไม่เราไม่ทุกใจมันมีแต่ความทุกข์กายเพราะว่าเราไม่มีความอยากไม่มีความยึดในเวทนาให้เป็นไปตามใจหวัง สัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้นะไม่ใช่ความจำนะแต่คือจำได้หมายรู้สัญญาก็ไม่เที่ยงนะสัญญาไม่เที่ยงเนี่ยไม่ได้แปลว่าลืมนะแต่ว่ามันหมายทีบางทีลืมไม่ให้ลืมแบบที่เรานึ่งไม่ออกแต่มันหมายความว่าเห็นแล้วเนี่ยบางทีก็นึ่งไม่ออกว่ามันคืออะไรเห็นที่อยู่ตอนหน้ามีนักพืชศาสตร์คนหนึ่งกลเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของ ดอกไม้แกรู้จักดอกไม้ทั่วโลกเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเป็นพันเป็นหมื่นชนิดเลยอยู่ไกลที่ไหนไปถึงแอมะซอนหรือว่าหิมาลยถ้ามีถ้ามีดอกไม้นะแกก็จะรู้จักตอนหลังพอแกอายุสักห0สิกว่าเนี่ยวันหนึ่งแกเจอดอกไม้ดอกหนึ่งอยู่ที่แถวหน้าบ้านแกนึกแกบอกว่าแกนึกไม่ออกแล้วมันมันคืออะไร นะเหมือนกับไม่เคยเห็นเลยก็ไปเรียกไปเรียกผู้ช่วยมาดูผู้ช่วยเห็นก็งงเลยนะเพราะว่าที่แกเห็นข้างหน้าเนี่ยคือดอกกุหลาบดอกกุหลาบซึ่งมันเป็นเรื่องดอกไม้ที่ธรรมดาสา ม, มัญมากแต่สัญญาณในเรื่องของดอกกุหลาบแกหายไปเลยคือแกไม่สามารถจะหมายรู้ว่าไอ้สิ่งที่ดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าแกคือดอกกุหลาบอันนี้มันเป็นสัญญาว่าแกกำลังจะเป็นอัลไซเมอร์นะ วคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยสัญญามันเพี้ยนไปเลยนะเห็นลูกก็จําไม่ได้ไม่สามารถจะจาได้หมายรู้ว่า น, นั่นคือลูกนะแล้วถ้าเป็นหนักขึ้นก็จะจําไม่ได้ว่ากินข้าวหรือยังไอ้กินจําไม่ได้ว่ากินข้าวหรือยังนี่เป็นเรื่องสังหรับเป็นเรื่องสังขารนะความจําได้หมายรู้เป็นเรื่องสัญญาแต่เรื่องสังขารเนี่ยมันรวมถึงความจําสังขารก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่อาจหวังให้เป็นไปตามใจได้ นะเช่นเราเช่นหลายคนที่กําลังนั่งอยู่นี้เนี่ยอาจจะรู้สึกง่วงะจะสั่งให้มันไม่ง่วงเนี่ยสั่งไม่ได้หรือว่าจะสั่งหรือถ้าจะอัตมาจะสั่งให้ทุกคนเนี่ยโกรธตอนนี้คงจะโกรธไม่ได้นะมันไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถที่จะสั่งอารมณ์ของเราได้อารมณ์ความคิดอันนี้เป็นเรื่องของสังขาร น, นะ ไม่อยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มันก็ดันคิดนะจนนอนไม่หลับอันนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรานะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขารที่เป็นอนัตตาวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะวิญญาณนี่หมายถึงไม่ใช่หมายถึงดวงวิญญาณนะแต่หมายถึงการรู้แจ้งในอารมณ์หรือการรับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางไหตนาทั้ง6เช่นรูปรสกลิกลก่นเสียงสัมผัสแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดเรีย ก, ยกว่าธิระธรรมารมณ์ เราไม่อาจได้วิญญาณตามใจหวังหมายค่อยยังไงยกติธรรมง่ายเช่นบางคนเนี่ยเป็นคนที่ชอบมองอะไรในแง่ลบเนี่ยเห็นแต่แง่งลบของคนอื่นนะหรือเห็นแต่แง่ลบของตัวเองก็เลยมีความทุกข์แล้วก็มีความโกรธมีความหงุดหงิดจะบอกให้หันมารับรู้ด้านบวกของตัวเองบ้างหรือของคนอื่นบ้างมันก็นึกไม่ค่อยออกนะ หรือมอไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็เป็นเรื่องวิญญาแล้วนะวิญญามาถึงการรับรู้การรู้แจ้งการรู้การรู้อารมณ์ทั้งหกนะหรือว่าอ่านหนังสือเนี่ยนะก็อยากจะรับรู้นะว่าหนังสือนี่เขาว่าอะไรแต่ว่าใจนนนาเนี่ยมันมัวแต่ว่าหัวเนี่ยมันมัวแต่ไปรับรู้แต่เสียงนะเสียงที่ดัง มาจากข้างบ้านอันนี้เรวาวิญญาณ เ, นะเนี่ยมันโสตวิญญาณมันทํางานนะแต่ว่าจักรคูวิญญาณนี่มันไม่อยอมทํางานเลยจักขคูวิญญาณเนี่ยจําเป็นต้องใช้เพื่ออ่านหนังสือแต่ว่ามันไม่ค่อยทํางานมันมีแต่จะไปรับรู้เสียงที่ดังมาจากข้างบ้านอาจจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงทะเลาะ ก, กันก็ทําให้อ่านหนังสือไม่ได้นะอันนี้ก็เรียกว่า วิญญาณไม่เป็นไปตามใจหวังอยากจะรับรู้นะว่านังสือนี้เขาว่าอะไรเขียนอะไรแต่ว่าใจมันไม่ไปเลยนะมันมีแต่จะไปได้ยินแต่เสียงเขาทะเลาะ ก, กันข้างบ้านหรือเสียงเพลงอันนี้เป็นอย่างง่ายๆนะซึ่งซึ่งมันทำให้เกิดความทุกข์กับคนเรานะเมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นนะแต่สิ่งสำคัญที่เรา เป็นทุกข์มากคือไปยึดมั่นถือมั่นกับรูปเวทนาแล้วก็สังขาร น, นะส่วนสัญญากับวิญญาณนี่ยังไม่ค่อยเป็นปัญหามากเท่าไหร่นะอย่างที่ที่เป็นทุกข์เพราะไปยึดมั่นในรูปนี่ก็อย่างที่บอกนะไปยึดมั่นในรูปนะไม่ว่าจะเป็นรูปภายในหรือรูปภายนอนะ่อยึดมั่นว่าร่างกายนี้ต้องเที่ยงต้องไม่ป่วยหรือว่าอาหารที่เรากินมาต้องอร่อย แต่มันไม่สวยเลยนะทำไมทําไม่สวยทําไมทํำไม่น่ากินเดี๋ยวไม่ทันได้กินเลยนะเพียงแค่เห็นรูปเนี่ยก็ไม่ชอบแล้วว่าทําไมทําอย่างนั้นแล้วคนเราก็ติดในรูปมากนะยกตัวอยงง่ายๆเนี่ยเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราจะกินพิซซ่ากินแฮมเบอร์เกอร์จะกินหูฉลามเนี่ยตอนที่เคี่ยวในปางนี่อร่อยไหมอร่อยนะแต่ถ้าเกิดคายมาคายมาใส่จานเนี่ย และจะยังจะกินต่อได้ไหมทั้งที่มันอร่อยใช่ไหมแต่พอเราคลายมันใส่จานข้างหน้าเนี่ยเห็นเห็นรูปที่เกิดเห็นรูปที่มันอยู่ข้างหน้าเราแล้วเนี่ยจะเคี่ยวกลับไปใหม่เนี่ยจะกลับไปกืนใหมน่นี่กืนไม่ลงแล้วนะทั้งที่มันก็คืออาหารไม่ใช่หรือเมื่อกี้ยังเคี่ยวอร่อยอร่อยอยู่เลยแต่พอเห็นรูปร่างหน้าตามันเคี้ยวไม่ลงแล้วและแถมไม่เรียกนั่นว่าอาหารด้วยแต่เราเรียกว่าขยะ นะไอ้สัญญาสัญญาว่าขยะนี่ก็มีที่ผลต่อเรามากนะทั้งที่มันมันอร่อยนะแต่พอเห็นหน้าตาของมันละเห็นรูปของมันละกินไม่ลงละนะหรือพอไปหลงว่ามันเป็นอไปหลงกับสัญญาหรือสมมุติว่ามันคือขยะนะดังคาว่าอาหารกับขยะเนี่บางทีมันก็ไม่ได้ต่างกันนะเพียงแต่ว่า มันอยู่คนละที่ถ้ามันอยู่ในปากเราก็เรียกวาอาหารพอมันออกจากปากเราเราเรียกว่าขยะแต่ที่จริงรสชาติมนกันเลยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารเหมือนกันหมดใช่เนี่ยนี่เราติดสมมุติมากนะไอ้การติดสมมุติก็ทำให้เราเป็นทุกข์นะเวทนาก็เหมือนกันนะเวทนาเนี่ยมันพอเราติดในเวทนานความปวดความเมื่อยเราไม่ชอบความปวดเราไม่ชอบความเมื่อยเราอยากผักสายม อ, อไปการผักส หรืออยากผลักสายนี่ก็เป็นตันหาแบบหนึ่งนะพออยากผลักสายนี่ก็ทุกเลยนะตอนนี้ทุกใจที่จริงปวดปวดขาปวดแข้งเนี่ยมันเป็นความทุกข์กายหรือว่าเวลาโดนยุงกัดเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์กายนะแต่ว่าพอเราไม่ชอบพอเราผลักสายมันนะมันก็ทาให้ทุกข์ใจเกิดความหงุดหงิด ใ จ, ใจิตใจบนตีโพยตีพายในการบนตีโพย ต, ตีพายเนี่ยมันสอเห็นความทุกข์ใจเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาความอยากผลักแสมันออกไปอารมณ์ก็เหมือนกันนะอารมณ์เนี่ยความโกรธเราไม่ชอบนะแต่ทันทีที่เราไม่ชอบแล้วเราพยายามผลักสายมันเนี่ยเราทุกข์เลยนะหลายคนโกรธที่ตัวเองโกรธหลายคนหงุดหงิดที่ตัวเองโกรธ ว่าทำไมฉันโกรธนะฉันไม่น่าโกรธเลยทำไมฉันโกรธนะเกิดความรู้สึกไม่พอใจตัวเองหรือว่าเกิดความรู้สึกชิงชังความโกรธพยายามไปกดข่มมันซึ่งก็ยิ่งทําให้ทุกข์เข้าไปใหญ่ที่จริงเนี่ยเพียงแค่เราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันก็ไม่มีอะไรนะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลนตุโลนะหลวงปู่ดูลงก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกๆคนก็เลยว่าท่านเป็นพระอรหรันต์ ก็มีคนนึงถามหลวงปู่ตรงๆแล้วหลวงปู่มีโกรธไหมหลวงปู่ตอบสั้นๆว่มามีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอาอันนี้เราก็พวกเราทุกคนก็ทําได้นะไม่ใช่ว่าต้องไม่มีความโกรธเราไปปุตตชนนี่ยิ่งต้องมีความโกรธแต่มีแต่เราไม่ยึดมันไงเราไม่เอาไม่เอาก็คือแบกเอาไว้ปัญหาของคนเราคือว่าพอมีแล้วไปแบกไปไปเอามันทั้งที่มันไม่น่าเอาเลยนะความโกรธนี่อันนี้ก็เรียกว่าทําไปเพราะความ ไม่รู้นะไปยึดมั่นถือมั่นกับความโกรธโดยไม่รู้ตัวไปแบบความโกรธเอาไว้ที่พูดมาทั้งหมดนี้เพื่อชี้ว่าคนเราเนี่ยมันทุกข์เพราะความยึดติดถือมั่นนะทุกข์เพราะการไปแบบเอาไว้เดี๋ยวว่าแต่ของเดีย๋ยวว่าแต่ของดีๆที่เราปรารถนาเช่นทรัพย์สินเงินทองนะซึ่งมันเป็นตัวทุกข์โดยธรรมชาติของมันแม้แต่ของที่ก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดี เช่นความโกรธความวิตกกังวลเรื่องราวที่เจ็บปวดซึ่งแม้จะผ่านไปแล้วแต่เราก็ยังไปแบกมันเอาไว้ถ้าถามว่าไปแบกเอาไว้เป็นมันทุกข์ไหมก็ทุกข์แต่ทำไมแบกเอาไว้เพราะไม่รู้ตัวนะตอนที่ใจเผลอไปคิดเรื่องที่เลวร้ายในอดีตหรือความสูญเสียในอดีตเนี่ย คิดแล้วเศร้าไหมาคิดแล้วโกรธคิดแล้วเสียใจนะก็เสียใจนะแต่ว่าทำไมถึงยังคิดอยู่ก็เพราะไม่รู้ตัวนะเมื่อไม่รู้ก็เลยไปแบกเอาไว้ไปถนอมนะไปคลอเคลียกับมันนะอันนี้เป็นปัญหาของผู้คนจำนวนมากเลยนะที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นทั้งที่ เคล็ดลับมันมีอย่างเดียวก็คือว่าอย่าไปแบกมันเคยมีนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากนะเป็นคนที่รังเกยียจการคอร์รัปชันแต่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายแล้วก็เป็นที่เป็นที่รังเกยียจก็ว่าได้นะของเพื่อนตํารวจด้วยกันกลายเป็นแกะดําแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในราชการ มีความทุกข์มากว่าทําไมทําดีไม่ได้ดีแล้ววันหนึ่งก็ไปไปกราบหลวงพ่อชาคงจะคุ้นกับหลวงพ่อชาพอสมควรนะก็เลยระบายเรื่องความทุกข์ให้ฟังว่าถูกกลั่นแกล้งนะถูกเจ้านายกลั่นแกล้งนะแล้วก็ลูงน้องรวมทั้งเพื่อนก็ไม่พบหาเราระบายนี่เป็นเป็นเวลานานทีเดียวนะ ไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงหลวงปู่อาหลวงพ่อชาท่านก็ฟังฟังเสร็จท่านก็ไม่ได้ไม่ได้แนะนําอะไรแต่ท่านชี้ให้ดูก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งใกล้ใกล้กุฏิแล้วก็ถามว่าเนี่ยไอ้หินก้อนนี้เนี่ยหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมไม่ไหวครับแล้วถ้าไม่ไหวนี่จะแบกมันทําไมนะไม่แบกก็อย่าแบกสิ พอพูดเท่านี้นนายตำรวจคนนัแกคลิกเลยนะแกคลิกเลยว่าแกเคลื่อคือว่าแกรู้แกเลยเข้าใจโอ้ที่แกทุกไปทั้งหมดเพราะแกไปแบกไปแบกเรื่องราวต่างๆเอาไว้นะไม่ปล่อยไม่วางแกก็เลยทุกเนี่ยเรื่องนี้คล้ายๆกับอีกเรื่องหนึ่งนะที่มีนาวาเอกคนหนึ่งมากราบสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะองค์ก่อนๆนี่ชื่อว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ ก็เป็นอุปชาของในโลงปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้คงจะประมาณสักหกสิเจปีมาแล้วมั้งหปีได้แก่สมัยก่อนเข้าพรอสังฆราชง่ายนะไม่มีพิธีรีอตองมากแล้วก็คุ้นเคยกับพระสงฆ์สังฆราชองค์นี้พอกราบเสร็จก็ไม่พูดอะไรนะสีหน้าดูท่าทางอมทุกข์สมเด็ภพระสังฆราชจ้าก็เลยถามว่าเป็นยังไงพักนี้หนักครับแย่จนจะทนไม่ไหวแล้วครับ อ๋อเป็นไงล่ะจักแกก็ระบายฝังนะเรื่องชีวิตเรื่องปัญหาความทุกข์ในราชการความทุกข์เกี่ยวครอบครัวสารพัดประดังประเด ร, ระบายนะให้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฟังพลั่งพรูอมาคล้ายๆกับนายตำรวจคนที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้สมเด็จพระสังฆราชาท่านก็นั่งฟังนะท่านท่านมีเมตตามาต้องก็ฟังอย่างเดียวเลย นานาแหวกนั้นก็พรั่งพรูใหญ่ท่านฟังอยู่นานทีเดียวนะเสร็จแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรนะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยให้ทำอะไรสักอย่างนนะคุกเข่าแล้วก็ยื่นมือสองข้างมาเสร็จแล้วท่านก็เอากระดาษแผ่นนึงเนี่ยมาวางไว้บนมือทั้งสองข้างเขาแล้วก็บอกว่านั่งอยู่ตรงนี้นะอย่าขยับหรือเคลื่อนไปไหนนะให้รอข้ากลับมาถ้าเรียกตัวว่าข้า คุณเคยามากเดี๋ยวข้าจะเข้าไปในตำหนักสักครู่ท่านไปห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วยี่สิบนาทีก็แล้วยังไม่เสด็จกลับกลับมาเลยนาไวยคนนั้นเนี่ยถื อ, อกระดาษแค่แผ่นเดียวนะบอกว่าพอสักยี่สิบนาทีนี่ก็ชักเมื่อยแล้วนะมือเริ่มสั่นและนะเงือเริ่มออกนะไอ้กระดาษแผ่นเดียวนี่มันกลายเป็นหนักขึ้นมาได้นะ พอ20นาทีผ่านไปเสรีพระสังฆราชก็เสด็จออกมาแล้วท่านกรถางเป็นไงหนักครับผมเมื่อจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยนะท่านก็บกว่าแบกจนจะจนจะแบกไม่ไหวอยู่แล้วนะมันหนักเหลือเกินเมื่อยมากพระสังฆราชก็บอกว่าอ้าวถ้ามันหนักมากมันเมื่อยมากก็ วางมาลงสื่อ น, นะถือไว้ย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นอื่นไปได้อย่างไรนะนี่ท่านสอนแล้วนะสอนน้าวอิเคนนั้นว่าอะไรว่าอย่าไปแบกนะแม้แต่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยซึ่งดูเหมืนไม่มีอะไรนี่ถ้าถือไว้นานๆนี่ไม่ต้องชั่วโมงนึงหรอแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ก็เมื่อยแล้ะนะเมื่อยจนจะแบกไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยคนเราทูกเพราะความ ไปยึดติดนะไปแบกเอาไว้นะและส่วนใหญ่ก็แบกเรื่องอนาคตนะเรื่องอดีตนะผ่านไปแล้วก็แบกเอาไว้หรือบางทีเป็นเรื่องนอกตัวอนาคตก็เหมือนกันนะสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็แบกเอาไว้เหมือนกันแบกความกังวลแบกความวิตกวิตกเกี่ยวกับลูกวิตกเกี่ยวกับครอบครัวหรือวิตกเกี่ยวกับงานการก็แล้วแต่ถามว่าแบกแล้วทุกไหมทุก แล้วจะมายัางแบกอยู่นะพราไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ตัวก็ไปแบกเอาไว้แต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเรามีสตินะพอใจเนี่ยมันเริ่มทุกข์เนี่ยนะใจเริ่มกระเพื่อมใจเริ่มรู้สึกร้อนเนี่ยมันจะกลับมาดูเลยว่าเฮ้ยมันร้อนเพราะอะไรกระเพื่อมเพราะอะไรมันหนักเพราะอะไรก็จะเห็นเลยว่านี่เป็นเพราะแบกเอาไว้ แบกเอาความคิดแบกอารมณ์แบกความคิดเกี่ยวกับอดีตอนาคตเมื่อรู้นี่มันก็จะปล่อยไปเองแต่ถ้าไม่มีสตินะไม่มีความรู้สึกตัวนะมันก็แบกเป็นวั น, นแบกเป็นวันเผลอไปช่วยเอาโดยไม่รู้ตัวแง่ถ้าเราถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ย ถ้าเป็นสติที่ไวเราจะมีความสึกตัวได้ไวนะเราจะเห็นเลยว่าอ๋อที่ทุกเนี่ยมันทพแบกเอาไว้แท้ๆแล้วนะ ม, ม่เห็นแล้วเนี่ยมันก็จะวางได้เองปฏิบัติระดับพวกเราเนี่ยมันไม่ไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่ต้องถึงขั้นว่าไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดนะมีได้นะแต่ให้รู้ทันหรือพูดอย่างหลวงปู่ดูลย์คือว่ามีแต่อย่าเอา และที่ไม่เอาได้ที่ไม่เอาไม่แบกก็เพราะมีสติกก็ฝากเอาไว้นะคำนี้กับมาพร้อมกัน